สิ่งงานหนังสือปฏิปฏิวิภาคงานเขียนอันทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับจากผู้ทรงธรรมทั้งในด้านปริยัติและด้านปฏิบัติเขียนโดยแม่ชีคุณหญิงดํารงธรรมสารใหญ่วิเศษสิริสําหรับหนังสือของแม่ชีที่นิยมตีพิมพ์เผยแพร่กันในชุดนี้มีทั้งหมดห้าเล่มนะครับเป็นลักษณะาถามตอบปัญหาธรมรมพร้อมการอธิบายในแง่การปฏิบัติเป็นหลักซึ่งภายหลังมีการเข้าใจผิด นำมารวมเล่มเป็นหนังสือชื่อธรรมานุธรรมปฏิบัติและระบุว่าเป็นการสนทนาธรรมของลปูมั่นกับพระเทระโดยที่หนังสือได้รับความนิยมและตีพิมพ์ไปจำนวนมากตัวอย่างเนื้อหาภายในของปฏิปฏิวิภาคการละความยินดียินร้ายในโลกธรรม8การเจริญจจรณา15คือเสขะปฏิบัติข้อปฏิบัติของพระเสขะการพิจารณาธรรมในธรรม รู้ตามจริงในเรื่องอายตนะวิญญาณภาษะเวทนาอารมณ์เพื่อถอนอัตตานุทิฏฐิการละสังโยชนัดกิเลสวรรัฏและปิดท้ายด้วยพุทธภาษิตเปรียบการข้ามฟากกับเหล่าสาวกในระดับต่างๆอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำโดยเจ้าภาพหลักสิงทองเหลืองเจริญกิตร่วมกับภาวนาเหลืองเจริญกิตรสนนเหลืองเจริญกิตและเจนวิทย์เหลืองเจริญกิต ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันนะครับสัพพะานังธรรมธทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงปฏิปฏิวิภาคข้าพเจ้าไม่ได้พบท่านมานานแล้วท่านเป็นสุขสบายดีหรือ พูดตามสมมุติก็ว่าเป็นสุขแต่ส่วนปัญจขันต์เป็นทุกข์จะตอบว่าสุขก็ขัดกับความจริงข้าพเจ้าถามความสมมุติของโลกที่เขาประสายกันอยู่ในผู้ที่ได้จากกันไป น, น, นานๆเมื่อตอบอย่างนี้ก็ไม่ได้ความในคำตอบของท่านว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขขเวทนาก็คือสังขารทุกข์เวทนาก็คือสังขาร เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่ข้าพเจ้าไม่เห็นสังขารชนิดใดที่จะเที่ยงหรือสุขเห็นมิแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ข้าพเจ้ากับท่านเป็นผู้ปฏิบัติเข้าวัดมานานจึงตอบให้ตรงความจริงท่านไม่ชอบพูดเรื่องโลกเลยแม้แต่คาเดียวต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะถามท่านในทางสัมมาปฏิบัติ ข้าพเจ้ายินดีจะตอบกับท่านในทางสัมมาปฏิบัติเรื่องโลกนั้นเราควรเบื่อกันเสียทียิ่งเวลานี้เศรษฐกิจของโลกตกต่ำผู้ที่ยังกำหนดยินดีหมกมุ่นพัวพัน์ติดอยู่ในโลกจึงมีความร้อนใจไปทุกคนส่วนผู้ปฏิบัติก็มีแต่สังเวชสลดใจเพราะได้เห็นคนทั้งหลายทุกยากลำบากเศร้าโศกเดือดร้อนอยู่เราไม่รู้ความจริงของโลกธรรม ให้มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจึงตรงกันข้ามกับพระอริยาสาวกที่ท่านเห็นความจริงแล้วกำหนดรู้โลกธรรมทั้ง8ปดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาใจของพระอริยาสาวกนั้นมีความจริงเป็นอารมณ์จึงไม่ยินดียินร้ายไปตามโลกธรรมทั้ง8ปด อริยาสาวกที่เป็นพระอเสขาบุคคลคือผู้ไม่ต้องศึกษาจบพรหมจรรย์หรือพระอรหันนั้นทันละความยินดียินร้ายในโลกธรรม ท, ทั้ง8ดได้ส่วนพระเซขาบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาหมายถึงตั้งแต่พระโสดาบานขึ้นไปแต่ยังไม่สำเร็จอรหัตผล น, นั้นยังละความยินดียินร้ายในโลกธรรม ท, ทั้งแปดไม่ได้เมื่อเวลาโลกธรรม ท, ทั้ง8ดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เศคบุคคลกับปุตุชนนั้นจะต่างกันอย่างไรตามความเห็นของข้าพเจ้าว่าราเสคาบุคคลเวลาที่โลกธรรมทั้ง8ดเกิดขึ้นสมัยที่ท่านมีสติสัมปชัญญะกาหนดรู้โลกธรรมตามความเป็นจริงความยินดียินร้ายในโลกธรรมแปดก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้ สมัยที่เพลอสติเวลาที่โลกธรรมทั้ง8ปดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็มีความยินดียินร้ายแต่ว่าคงน้อยแล้วก็ลักได้ง่ายไม่ครอบงามใจเหมือนปุถุชนเพราะท่านได้เห็นความจริงแล้วนี่เป็นส่วนความเข้าใจถ้าต้องการจะรู้ให้แน่ก็จงประพฤติปฏิบัติทำตนให้เป็นพระเสขาบบุคคลจึงจะได้รู้ว่า อัธยาศาัยใจคอของท่านเป็นอย่างไรส่วนปุถุชนนั้นมีสามจำพวกที่เป็นกัลยะาณชนมีศีลมีธรรมอันงามประพฤติปฏิบัติละเอียดมากขึ้นและทาในใจแยบคายเวลาโลกธรรมทั้ง8ปดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็มีความยินดียินร้ายน้อยส่วนผู้ที่ถึงสารณะแล้ว แต่ประพฤติปฏิบัติน้อยเวลาโลกธรรมทั้งแปดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็มีความยินดียินร้ายในโลกธรรมนั้นมากส่วนปุถุชนที่ยังไม่ถึงสารณะไม่มีศีลและศรัทธานั้นเวลาโลกธรรมทั้งแปดฝ่ายข้างดีสี่อย่างเกิดขึ้นก็กำนัดยินดีหมกมุ่นพัวพันไปตามโลกธรรมนั้นหรือโลกธรรมฝ่ายข้างไม่ดีสี่อย่างเกิดขึ้น ก็ยินร้ายไม่ชอบเศร้าโศกเดือดร้อนราะปุถุชนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ทำใจไม่แยบคายความยินดียินร้ายจึงเกิดขึ้นรอบงามใจของปุถุชนนั้นได้เศษขาบุคคลมีหลายจำพวกคือพระโสดาบันพระสกัทาคามีพระอนาคามี เวลาที่โลกธรรมทั้งแปดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความยินดียินร้ายของพระเศคาบุคคลเหล่านั้นจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันตอบว่าก็ใครจะรู้ใจของท่านข้าพเจ้านึกว่าท่านต่างชั้นกันจึงคิดว่าความยินดียินร้ายคงจะไม่เท่ากันตอบว่านั่นเป็นธรรมดา สังโยชน์ยังอยู่ทั้งเจความยินดียินร้ายก็มีมากสังโยชน์เหลืออยู่หความยินดียินร้ายก็มีน้อยตามแบบที่เราได้ฟังมาว่าพระอเสขาบุคคลหรือพระอาหารหันต์ละสังโยชน์ได้หมดทั้งส0ความยินดียินร้ายจึงไม่มีใจของท่านนั้นเป็นฉลังกูเบกขา เพราะความยินดียินร้ายนั้นเกิดมาจากปัจจัยคือเอาวิชาสั่งโยดฉลังคู่เบกขาเป็นอุเบกขาของพระอาหารหันต์คือการวางเฉยไม่ยินดียินร้ายที่เกิดจากอารมณ์6เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นอารมณ์6เกิดได้จากอาญตนะภายในห คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอารมณ์ที่จะพึงถูกต้องด้วยกายสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจนึกคิดถามว่าโลกธรรมฝ่ายดี ช่นลาบยศสรรเสริญสุขสี่อย่างนี้เป็นกุศลวิบาคือผลของกุศลกรรมส่งให้ส่วนโลกธรรมฝ่ายข้างไม่ดีคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกสี่อย่างนี้เป็นอกุศลวิบาคือผลของอกุศลกรรมส่งให้ใช่ไหมตอบว่าใช่ถูกแล้วถามว่า เวลาโลกธรรมทั้ง8ปดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นผู้ที่สดับแล้วเช่นข้าพเจ้าก็จำไว้ได้ดีว่าโลกธรรมทั้ง8ปดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ทำไมในเวลาโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใจข้าพเจ้าจึงยินดียินร้ายไปตามโลกธรรมทั้ง8ปดนั้นตอบว่า ผู้สะดับฟังที่จําทรงปริยัติธรรมไว้ได้มากนั้นเป็นแต่จําเรื่องราวในพระพุทธศาสนาที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างพระอริยสาวกจึงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้ง8ปดไม่ได้ถามว่าข้าพเจ้าก็ปฏิบัติอยู่ คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วรู้เรื่องราวเข้าใจในคำสอนทั้งหลายแต่ทำไมจึงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมไม่ได้ตอบว่าท่านรู้แต่ชั้นสัญญาคือความจำไม่รู้เห็นในชั้นปัญญาแต่สำคัญตนว่ารู้แล้วเพราะนึกถึงธรรมะเหล่าใดที่ได้จำทรงไว้ก็ได้ความแจมแจ้งในชั้นสัญญา ไม่ใช่รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นชั้นปัญญาเหมือนอย่างพระอริยาสาวกที่ท่านได้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์หรืออริยสัจและได้ทํากิจตามหน้าที่ของอริยสัจทั้งสี่ด้วยจึงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้งแปดได้ถามว่าไตรลักษณ์และอริยสัจนั้น ข้าพเจ้าเข้าใจดีและอธิบายให้คนอื่นฟังอีกก็ได้ทำไมจึงว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือจะให้ข้าพเจ้าเทศไตรลักษณ์และอริยสัจสีให้ท่านฟังสักการใหญ่ก็ได้ตอบว่าข้าพเจ้าพูดถึงชั้นปัญญาของพระอริยาสาวกท่านก็พูดแต่ชั้นสัญญาอีกร่ำไปท่านจงใคร่ครวนพิจารณาดูเองเถิด ถ้าความรู้ความเห็นของท่านไม่ใช่ชั้นสัญญาเป็นชั้นปัญญาแล้วก็คงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้งแปดได้เหมือนพระอริยาสาวกที่ไหนจะเป็นปุถุชนข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าความรู้ชนิดไหนเป็นชั้นปัญญาเพราะข้าพเจ้านึกถึงธรรมะทั้งหลายที่จำทรงไว้นั้น ก็ได้ความในคำสอนทั้งหลายชัดเจนแจ่มแจ้งจึงสำคัญว่าเป็นชั้นปัญญาความจำทรงทั้งหลายไว้ได้มากนี่เรียกว่าชั้นปริยัตและนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติเจริญจรณะ15จนแก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นอีกแล้วนี่เรียกว่าชั้นปฏิบัติเมื่อวิชาและวิมุตตเกิดขึ้น นี่เรียกว่าชั้นปฏิเวทข้าพเจ้าเข้าใจผิดและเป็นผู้ประมาทมากไม่ได้เจริญจรณาสิให้บริบูรณ์ขึ้นในตนจึงไม่ถึงซึ่งวิ ช, ชาและวิมุตติความศึกษาของข้าพเจ้านั้นคงเป็นหมันเสียแล้วตอบว่าเมื่อท่านรู้ตัวได้เช่นนี้เป็นความดีสำคัญทีเดียว จะได้ตั้งใจเจริญจารณาสิบห 15% ให้แก่กล้าบริบูรณ์จะได้ถึงซึ่งวิชาละวิมุตจะทำในใจแยบคายอย่างไรจึงจะไม่ประมาทและมีความเพียรตั้งใจเจริญจารณาสิบห้าให้บริบูรณ์ขึ้นตอบว่าความไม่ประมาทก็มีอยู่ในจารณาสิบห้าคือศรัทธาศีลวิริยะ สติสมาธิปัญญาก็พอครบสิกขาสามอยู่แล้วแต่ท่านไม่เจริญให้มากขึ้นจึงไม่มีบริบูรณ์ในตนข้อนั้นจริงอยู่แต่ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องทำในใจให้แยบคายอย่างไรอีกเพื่อให้มีกำลังใจแข็งแรงและภาคเพียรให้ยิ่งขึ้นขอท่านจงแนะนำให้ข้าพเจ้ายินดีในความไม่ประมาท และเห็นภัยในความไม่ประมาทตอบว่าต้องพิจารณาให้เห็นภัยในสังสารวัฏหรือพิจารณาเห็นภัยในทุกติและกำเนิดสัตว์เดรัชฉานว่าผู้ที่ประมาทแล้วนั้นต้องเวียนเกิดในวัฏ ต, ตาสามเป็นเขตแดนแห่งมัจจุราชคือเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วไปเกิดเกิดลแก่เจ็บตายไม่มีที่สุด เวียนอยู่ในสามภพสามภพนั้นลำบากมากเพราะประกอบด้วยชาติชารามรณะสมัยได้เสพสัตว์วุรุษและฟังธรรมก็ทำกรรมเป็นบุญจึงได้เกิดในสุขคติสมัยได้เสพอสัตว์บุรุษก็ทำกรรมเป็นบาปเพราะผู้ที่ยังละอาสวะไม่ได้ก็ทำกรรมเป็นบา ป, าาารร ป, บาปต้องไปเกิดในทุกขติ และกำเนิดสัตยราชานเวรยทุกขเวทนาอยากกล้าเผ็ดร้อนเหลือที่จะพรรณน า, นาเพราะยังไม่ปิดประตูอบายคือยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลเราจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ในเวลายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าความตายมาถึงเข้าก็ไม่มีโอกาสที่จะทำความดีได้และลมหายใจก็ไม่ได้นัดกับเราว่า จะหยุดลงวันใดเพราะฉะนั้นเราจึงควรภาคเพียรให้ถึงซึ่งมรรคและผลจะได้พ้นภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏดังพระพุทธภาษิตในพัเทการัตสูตรมัชิมนิกายอุปริปันนาตหน้าส4 9สิว่าอจเจวะกิจมาตัปังโกชัญญามรณังสุเวนะหินโนสังขรันเตนะ มหาเสเนนะมจจุนาควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวไร่เล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้ความผัดเพียนด้วยพยามัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่ได้เลยทีเดียวข้าพเจ้าฟังท่านบรรยายถึงภายในสังสารวัต และภายในอบายทำให้ข้าพเจ้าสะดุ้งกลัวและตั้งใจละความประมาทเจริญความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ขึ้นในตนเพื่อให้ถึงซึ่งมรรคและผลสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาความตั้งใจชอบเช่นนั้นของท่านด้วยผู้ถามกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความประมาทนั้น เป็นข้อสําคัญของผู้ปฏิบัติทีเดียวเพราะขาดสติในสมัยนั้นไม่มีโอกาสที่จะทําความดีได้คงมีแต่ใจที่เป็นอนญญาศมานาคือเป็นกลางกลางไม่ใช่บาปแต่ก็ไม่เป็นบุญได้เห็นรูปฟังเสียงที่ดีก็เกิดความกำนัดยินดีได้ง่ายๆหรือเห็นรูปฟังเสียงที่ไม่ดีก็เกิดปฏิฆะหรือโทสะขึ้นได้ง่าย แล้วก็ดูเป็นคนโลเลมีความหลับมากเมื่อตื่นนอนขึ้นก็คิดฟุ้งซ่านไปในการมรรมข้อปฏิบัติที่จะตั้งอยู่ได้แต่ชั้นศีลก็ยากที่จะทำให้บริบูรณ์ส่วนสมาธิและปัญญานั้นยากที่จะเกิดขึ้นได้ในใจของผู้ประมาทส่วนมรรคผลนิพพานนั้นไม่ต้องพูดถึงเสยเลยต้องห่างไกลกันทีเดียว ตอบว่าถูกแล้วส่วนท่านผู้ไม่ประมาทและเห็นภัยในความประมาทจึงเป็นผู้ใกล้พระนิพพานทีเดียวดังพระพุทธภาษิตในคาถาธรรมบทจิตตวักที่สองว่าอัปปมาทรโตภิกขุปมาเทพยธศีวาอภพรปริหานายะนิพพานาเสวะสันติเกภิกษุ ผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบเป็นผู้ตั้งอยู่ที่ใกล้แห่งพระนิพพานนั่นเทียวถามว่าจรณะสิบห้านั้นคืออะไร ตอบว่า 1. ศสีละสังวรสำรวมกายวาจาเรียบร้อย 2. อ, อินรียละสังวรสำรวมอินรีทั้งหก 3. โภชนะมัตตัญยุตตาความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะสี่ ชากริยานุโยกประกอบตามซึ่งความเพียรไม่เห็นกนอนมากนักห้าศรัทธาเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อหกอิริละอายต่อบาปทุจริตเจ็ดโอตตปะปัสะดุ้งต่อบาปทุจริต ปพาหุสัจจะความเป็นผู้สะดับมากหมายเหตุผู้สะดับมากไม่ใช่แค่ฟังแต่หมายถึงการศึกษาแม้แต่การอ่านก็รวมด้วยนะครับ 9. วิริยะความเพียรละา บ, บาปเจริญบุญ 10. สติ ความระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศล 11. ปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและดับไป 12. ปฐมฌานลานิวรห้ประกอบด้วยองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา 13. ทุติยฌาน ละวิตกวิจารณ์ประกอบด้วยปีติสุขเอกคตา14ตติยาชานละปีติประกอบด้วยสุขเอกคตาละ 15. บจตุทัธาชาลละสุขประกอบด้วยเอกคตาอุเบขา ศีลสังวรอินทรียสังวรโภชนะมัตตัญยุตาชากริยานุโยคสัทธาอิริโอตตั ป, ปะพาหุสัจจะวิริยาสติปัญญาปถมชาญทุติยชาญตติยชาญจตุทัตาชาญถามว่าข้อปฏิบัติ15อย่างนี้ต้องทำให้บริบูรณ์อย่างนั้นหรือ ตอบว่าถ้าเจริญให้บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ถึงซึ่งวิชาและวิมุตติดังเสขปฏิปทาสูตรที่สในกหาปฏิวัคที่หนึ่งมัชิมะนิกายมัชิมะปัญ น, นาตหน้า25ความสังเขตว่าสกยราชชาวเมืองกบิลพัตสร้างศาลาใหญ่ขึ้นใหม่ยังไม่เคยมีใครบริโภคนั่งนอนจึงเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคให้ประทับ ก, ก่อนเพื่อให้เป็นมงคล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และกษัตริยาราชทั้งหลายมีเท้ามหานามะเป็นประธานพระภูมิพระภาคทรงแสดงธรรมสิ้นเวลาเป็นอันมากจนเมื่อพระปริศดางจึงตรัสเรียกพระอาอนนท์ใหแสดงข้อปฏิบัติของเสขาบุคคลพระองค์ทรงปูลาสังคติสำเร็จสรีหาสายยามีพระสติสัมปชัญญะกำหนดหมายจะลุกขึ้น พระอ น, นุนจึงแสดงเสขปฏิบัติเท้ามหานามะเป็นผู้รับธรรมเทศนาคือเจรณะส5บห้าอย่างนั้นเมื่อจบแล้วจึงอุปมาว่าเหมือนแม่ไก่ไข่ออกมา8ดฟองหรือสิบฟองส2บสองฟองแม่ไก่นั้นกกไว้ให้อบอุ่นไม่ต้องปรารถนาว่าขอให้ลูกน้อยของเราจงเจาะกระเปาะฟองออกมา ลูกไก่ก็ต้องทำลายกระป๋อฟองด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาเป็นตัวได้เพราะเหตุที่แม่ไก่กกไว้เสมอข้อนี้ฉันใดอริยาสาวกในธรรมวินัยผู้บริบูรณ์ด้วยจรณะส5้านั้นก็อาจทำลายกระป๋อฟองคืออวิชชาและบรรุวิชาสามคือ 1. ปอุปเเพนิวาสานุสติญาณรำลึกชาติหนหลังของตนได้ 2. จุดตูปปาตายญาณเห็นสัตว์จุติและปฏิสนธิ 3. อาสวะขยายญาณผู้จักทำอาสวะให้สิน้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วจึงประทานสาธุการแก่พระอานนท์ ถามว่าเรายังกังวลอยู่ในกิจธุระการงานเป็นส่วนตัวและของผู้อื่นบ้างการที่จะประพฤติปฏิบัติในจารณาสิบกลัวจะไม่บริบูรณ์หรือจะต้องหลีกไปในที่สงัดแต่ในเวลานี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่หลีกไปได้ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆท่านจงช่วยบอกอุบาให้ข้าพเจ้าด้วย ตอบว่าที่หลีกไปในที่สงัดนั้นเป็นการสะดวกมากแต่เมื่อยังไม่มีโอกาสที่จะหลีกไปได้เราอยู่ที่ไหนก็ต้องตั้งใจปฏิบัติที่นั่นที่สงัดมีสามคือป่าหนึ่งโคนไม้หนึ่งเรือนว่างเปล่าหนึ่งตามสะดวกจะคอยให้ได้ที่สงัดเช่นป่านั้นก็ยังไปไม่ได้ ถ้าความตายมาถึงเข้าก็จะเสียทีถามว่าข้าพเจ้ายังมีกังวลด้วยกิจการงานและยังไม่มีโอกาสจะหลีกไปในที่สงัดเราจะประพฤติปฏิบัติในเจรณาสิ้าให้บริบูรณ์ได้ไหมตอบว่าได้ตามกำลังใจของผู้ปฏิบัติ ส่วนกังวลที่จะต้องละนั้นคือราคากินจนังกังวลเพราะความกำนัดยินดีหรือหมกมุ่นติดอยู่ในกามโทสากินจนังกังวลเพราะความประทุษร้ายหรือโกรธเคืองแล้วริษยาพยาบาทเกลียชังตลอดกระทั่งความเพ่งโทษใครๆหรือปฏิฆะอารติโมหากินจนัง กังวลเพราะความหลงหรืออุทธจักรความฟุ้งซ่านและวิจิกิจฉาความสงสัยความกังวลเพราะอากุศลทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นส่วนควรละถามว่ากังวลที่จะต้องละนั้นมีเท่านี้หรือ หรือยังมีอย่างอื่นอีกขอท่านจรงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าไม่ใช่เท่านี้ยังมีอีกมากแต่ยากที่จะบรรยายให้สิ้นเชิงข้าพเจ้าจะกล่าวโดยยอ่อพอให้ท่านเข้าใจคือสังโยชนิสิบโอคาสีโยคาสีอนุสัยเจ็ อาสวะสามตันหาอุปาทานสี่นิวรณ์ห้าอุปากิเลส1ิบหกอากุศลวิตก3ามาอกุศลกรรมบทสิบกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยหละกังวลเป็นส่วนควรละถามว่า กิเลสทั้งหลายที่ท่านบรรยายให้ข้าพเจ้าฟังนี้ต้องละให้หมดทั้งสิ้นหรือหรือเหลือบ้างอยู่นิดหน่อยก็ได้ตอบว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้พระผู้มีพระภาคสอนให้ละหมดมิให้มีส่วนเหลือไว้เพราะเป็นปัใจจัยให้เกิดภพชาติไม่ให้ถึงนิพพานเพราะฉะนั้น พระอรหันต์ละกิเลสอาสวะทั้งหลายเหล่านี้สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือจึงถือซึ่งอนุปาทิเศ ส, สนิพานถามว่าความทำในใจอย่างไรกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จึงมีได้มากขาพเจ้าอยากทราบจะได้ตัดกำลังกิเลสเสตต้นทีเดียว ตอบว่าเช่นเวลาตาเห็นรูปที่ดีก็ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักตาไม่รู้จักรูปไม่รู้จกักจักขวิญญาณตามความเป็นจริงเกิดความยินดีขึ้นแต่ไม่ประกอบด้วยเจตนาจึงเป็นการมราคะสังโยชน์ไม่รู้ว่าเป็นโทษก็มิได้ละปล่อยให้ดับไปเอง ภายหลังเมื่อนึกคิดถึงรูปที่ได้เห็นไว้จึงเป็นรู ป, ปรสัญญาปรากฏขึ้นทางใจก็ไม่รู้จักใจไม่รู้จักธรรมารมไม่รู้จักมโนวิญญาณตามความเป็นจริงจึงเกิดความยินดีทางใจขึ้นไม่ประกอบด้วยเจตนาจึงเป็นกามราคาสังโยชนไม่รู้ว่าเป็นโทษมิได้ลกความยินดีทางใจ ลอยให้ดับไปเองภายหลังม น, นึกคิดถึงรูปที่เข้าไปชอบติดกำนัดยินดีพัวพันอยู่นั้นและทำในใจไม่แยบคายประกอบด้วยเจตนาคิดยืดยาวออกไปจึงเป็นกามวิตกคือมโนกรรมฝ่ายอกุศล ถามว่าส่วนกิเลสประเภทรักข้าพเจ้าเข้าใจได้ความชัดเจนดีแล้วแต่กิเลสประเภทโกรธเวลาที่เกิดขึ้นในใจก็อาศัยอายตนะหกใช่ไหมขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าใช่เช่นได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็ไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่รู้จักหูไม่รู้จักเสียงไม่รู้โสตวิญญาณตามความเป็นจริงเกิดความไม่ชอบไม่ถูกใจเป็นโทมนต์หรือปฏิฆาขึ้นไม่ประกอบด้วยเจตนาจึงเป็นปฏิฆาสังโยชน์ไม่รู้ว่าเป็นโทษก็มิได้ละปล่อยให้ดับไปเองภายหลังมา เนื้อคิดถึงเสียงที่ได้ยินไว้จึงเป็นสรัทธสัญญาปรากฏขึ้นทางใจไม่รู้จักใจไม่รู้จักธรรมารมไม่รู้จักมโนวิญญาณตามความเป็นจริงจึงโทมนัสหรือปฏิฆาสังโยชน์เกิดขึ้นทางใจไม่ประกอบด้วยเจตนาไม่รู้ว่าเป็นโทษก็มิได้ละปล่อยให้ดับไปเอง ภายหลังมานึกคิดถึงเสียงที่ไม่ชอบไม่ถูกใจจึงเกิดโทมนัตหรือความโกรธประกอบด้วยเจตนาคิดยืดยาวออกไปจึงเป็นพยาบาทวิตกหรือในอากุศลละกรรมบทสิบแม้กิเลสอื่นๆที่เกิดขึ้นในใจก็อาศัยอายตนะภายนอกหกระทบกันเข้าแล้วก็เกิดวิญญาณหกที่เรียกว่าพัสสะหก เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผู้ที่ไม่มีสติหรือไม่รู้ความจริงไม่ประกอบด้วยเจตนาอาสวะหรืออนุสัยโอคะโยคะตันหาอุปาทานและสั่งโยชจึงเกิดขึ้นในใจได้กิเลสวัต์เป็นมัคคาวรห้า ม, มัก ถ้าประกอบด้วยเจตนาก็เป็นนิวรห้อุปกิเลสสิบหกอุศลวิตกสาอกุศนลกรรมบท10บชนิดนี้ประกอบด้วยเจตนาคือกรรมวัตฝ่ายบาปเป็นสักขาวนห้ามสวรรค์ ถามว่าข้าพเจ้าฟังท่านบรรยายถึงกิเลสทั้งหลายแรกที่จะเกิดขึ้นคือความไม่รู้จักอายตนะภายใน6ภายนอกหวิญญาณหผัสสะหเวทนาหตามความเป็นจริงดูอวิชชาชั่งหนาแน่นมากปิดบังความจริงซึ่งหมดทีเดียวเช่นนี้นี่เองจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาสขึ้นทางอายตนะหก ที่ได้เห็นและได้ฟังหรือได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายใจและได้รู้ด้วยใจสมุทยัยจึงไม่ขาดสายลงได้ตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาปฏิ จ, จสมุทบาทว่าอาวิชชาเป็นหัวหน้าสมุทยัย พูดถามกล่าวว่านาลืมใส่ในพระผู้มีพระภาคที่ทรงสั่งสอนไว้ในมหาสติปทานสูตรให้เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในหกภายนอกหกอันหนึง่งสั่งโย์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโภทพะ ใจกับธรรมอารมณ์อันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึง่งความที่สังโยน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยอันหนึง่งความละสังโยน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยอันหนึง่ง ความที่สั่งยชน์อันตนละเสร็จแล้วยอมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยนี่พระองค์ทรงแสดงเพื่อจะแก้ความไม่รู้ของผู้ปฏิบัติตอบว่าถูกแล้วแต่เดิมมาข้าพเจ้าไม่เข้าใจยังเคยนึกว่านี่ทำไมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนสาวก ให้รู้จักตาให้รู้จักรูปให้รู้จักหูให้รู้จักเสียงราวกับสอนเด็กๆรันภายหลังมาได้ความในธรรมะที่ละเอียดจึงทราบว่าเมื่อไม่ศึกษาก็ไม่รู้ความจริงของอายตนะอิเลทั้งหลายจึงเกิดขึ้นในใจได้ถามว่าสังโยชนเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นโทษ ก็มิได้ละปล่อยให้ดับไปเองนี่อย่างหนึ่งสังโยชน์เกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นโทษและละเสียไม่ปล่อยให้ครอบงมใจนี่อย่างหนึ่งสองอย่างนี้จะต่างกันอย่างไรตอบว่าต่างกันมากตรงกันข้ามทีเดียวสังโยชน์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นโทษก็มิได้ละ ล่อยให้ดับไปเองชนิดนี้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่ได้มีส่วนปะหานะปะหานะแปลว่าการลักการกำจัดหมายถึงกำจัดกิเลสละตัณหาสังโยชน์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นโทษก็มีได้ละล่อยให้ดับไปเองชนิดนี้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ไม่ได้มีส่วนประหานะเหมือนพระจันทร์ในปากข้างแรมมีแต่จะมืดไปทุกทีและเป็นปัจจัยให้เกิดมโนกรรมฝ่ายบาปหรือเลยไปถึงกายทุจริตวาจีทุจริตก็ยิ่งร้ายใหญ่เนรกจึงเป็นบ้านอยู่อูนอนของคนเช่นนั้นสังโยชน์เกิดขึ้นก็รู้จึงลาเสียไม่ปล่อยให้ครอบงาใจ นี่เป็นผู้ปฏิบัติมีส่วนปะหาหนะอย่างดีทีเดียวนับว่าควรสันเสริญเพราะไม่ปล่อยให้เลยไปถึงกรรมวัตรฝ่ายบาปเหมือนพระจันทร์ในปักข้างขึ้นมีแต่จะจำใสขึ้นทุกทีแม้เป็นโล ก, กีก็ยังดีเมื่ออบรมให้แก่ขึ้นก็เป็นปัจจัยให้ถึงโลกุตระได้ ถามว่าความละสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกมัดใจสัตว์มีสองอย่างอย่างหนึ่งว่าความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ประการ น, น, นั้นด้วยอย่างหนึ่งว่าความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วยอมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นความละสังโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ เหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันการที่ละสังโยชน์เสียได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยนี่เป็นส่วนโลกิยะคือมีสติสัมปชัญญะและรู้จักอาการของสังโยชน์เกิดขึ้นก็รู้จักจึงละเสียไม่ปล่อยให้ครอบงำใจแต่ละได้ชั่วคราวไม่ขาดแล้วก็เกิดขึ้นได้อีก อย่างหนึ่งว่าความที่สังโยอันตนละเสร็จแล้วยอมไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยนี่เป็นส่วนโล ก, กุตระคือละได้ขาดด้วยอำนาจอาริยมรรคไม่มีโอกาสจะเกิดต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานเป็นสองตอน ถามว่าความละสังโยชน์ที่เป็นส่วนโลกีนั้นละไม่ได้ขาดแต่ส่วนความละสังโยดด้วยอริยามรรคคือละได้ขาดเป็นโลกุตระนั้นทำไมการละสังโยชนจึงได้ต่างกันเหตุใดจึงเป็นโลกีและโลกุตระมีสองอย่างขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ต อ, อบว่าสังโยชน์เป็นกิเลส ท, ที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาผู้ปฏิบัติเมื่อศึกษารู้จักสังโยชน์แล้วทราบว่าเป็นโทษจึงตั้งใจละไม่ให้เกิดขึ้นครอบงาใจนี่ประกอบด้วยเจตนาเป็นกรรมวัตรฝ่ายบุญจึงละไม่ได้ขาดเมื่ออบรมในการละสังโยชน์อย่างนี้มากขึ้นพอสังโยชน์เกิดขึ้น ก็ละได้ทุกคราวไปคือไม่เข้ากับตัวไม่เข้ากับกิเลสจึงชำนาญในส่วนปาหานะและเวลาสังโยชน์ยังไม่เกิดก็มีสติสัมปชัญญ ะ, จะเจริญสมถะวิปัสนาให้มากขึ้นเมื่อชำนาญในส่วนปาหานะและบริบูรณ์ด้วยภาวนาเช่นนี้อริยมรรคจึงเกิดขึ้นไม่ประกอบด้วยเจตนา ละสังโยชน์ได้ขาดตามกำลังแห่งมรรคคือโสดาปติมรรคสกัทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคถามว่าอายตนะภายในหกภายนอกหกกระทบกันเข้าเช่นเห็นรูปฟังเสียงที่ดีหรือไม่ดี ก็มีสติระวังไว้ไม่ให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นครอบงาใจได้แต่ไม่มีปัญญาที่รู้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์แต่ความยินดียินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เช่นนี้จะชื่อว่าเป็นการละกิเลสได้ไหมตอบว่าไม่ได้ละเป็นแต่กั้นกิเลสเอาไว้ ด้วยอำนาจอธิจิตอย่างอ่อนๆอธิจิตหมายถึงการฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งไม่เดละเป็นแต่กั้นกิเลสเอาวไว้ด้วยอำนาจอธิจิตอย่างอ่อนๆที่เรียกว่าอินทรียสังวรเป็นข้อปฏิบัติที่ต่อจากศีลควรสงเคราะห์เข้าในกองสมาธิ แก็เป็นข้อปฏิบัตินับเข้าในจรณะส5้าด้วยถามว่าเช่นเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ดีหรือที่ไม่ดีก็รู้ว่าความยินดียินร้ายนั้นเป็นโทษแต่ทำไมจึงคอยจะเข้าไปยินดียินร้ายได้บ่อยๆต้องคอยระวังไว้เสมอ แต่ถึงเวลานั้นเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ดีหรือไม่ดีพอเผลอไปเวลาใดความยินดียินร้ายก็เกิดขึ้นในใจได้ทีเดียวท่านจงบอกอุบาให้ข้าพเจ้าด้วยตอบว่าเช่นเวลาตาเห็นรูปที่ดีควรทำในใจว่ารูปมาปรากฏกับตาแล้ว เราจะเข้าไปกำหนดยินดีในรูปที่ดีรูปนี้ก็ได้เห็นแล้วหรือจะไม่กำหนดยินดีในรูปที่ดีรูปนี้ก็ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นความเข้าไปกำหนดยินดีในรูปที่ดีจึงเป็นการเติมกิเลสเข้าไ ป, ปเปล่าๆหรือได้ฟังเสียงที่ไม่ดีควรทำในใจว่าเสียงที่ไม่ดีซึ่งเราได้ฟังนี้ เราจะเข้าไปมีปฏิฆะหรือโทสะเสียงไม่ดีเราก็ได้ฟังแล้วเราจะไม่ให้เกิดปฏิฆะหรือโทสะเสียงที่ไม่ดีเราก็ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ปฏิฆะหรือโทสะเกิดขึ้นจึงเป็นการเติมกิเลสเข้าไปเปล่าๆอารมณ์หกส่วนที่ดีคืออิทธาารมณ์ เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีอารมณ์หกส่วนที่ไม่ดีคืออนิจธารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายไม่ชอบโกรธเคืองควรทำในใจยากขายเช่นนี้ทุกๆอารมณ์ถามว่า ความทำในใจโดยวิธีที่ท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังนี้คือพิจารณาเห็นอารมณ์หกที่ดีหรือที่ไม่ดีก็มากระทบเข้าแล้วเราจะไปชอบหรือไม่ชอบก็มากระทบเข้าแล้วเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปชอบหรือไม่ชอบจึงเป็นการเติมกิเลสเข้าไปเปล่าๆถ้าใจยังไม่เห็นด้วยเป็นแต่แกล้งขืนใจพิจารณา ความยินดียินร้ายก็ยังเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำในใจแยบคายอย่างไรต่อไปตอบว่าถ้าความยินดียินร้ายบังเกิดขึ้นได้นั่นก็คืออัธยาสายใจคอของเรายัางหนักอยู่ข้างกิเลสคือความเข้าไปติดใจไว้ในอารมณ์ที่ดี หรือเข้าไปผูกใจไว้ในอารมณ์ที่ไม่ดีจึงหมกมุ่นผัวพันอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเนี่อแหละเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกคือกิเลส ท, ที่เข้าไปขมวดอารมณ์ที่ดีหรือที่ไม่ดีไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องภาคเพียนเจริญสมถะและวิปัสสนาให้บริบูรณ์ขึ้นคือพิจารณาอายตนะภายในหกภายนอกห ที่มากระทบกันเข้าแล้วให้เกิดวิญญาณหกจึงเกิดผัสสะหกและเวทนาหกที่เกิดแต่ผัสสะหกเช่นตากับรูปกระทบกันเข้าแล้วก็เกิดจกักขะวิญญาณชื่อว่าจากักขะสัมผัสและเวทนาที่เกิดแต่จกักขะสัมผัสคือสุขหนึ่งทุกหนึ่งไม่ทุกไม่สุขหนึ่ง ท่านจงมีสติพิจารณาดูตามความเป็นจริงว่าตาก็หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนรูปก็หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนความรู้ทางตาก็หมดสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนจกักขูสัมผัสความกระทบถูกต้องทางตาก็หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตน ละเวทนาที่เกิดแต่จากขู่สัมผัสก็หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนตลอดถึงหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับผลทพะใจกับธรรมอารมณ์ให้เกิดความเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างไรและสังเกตอารมณ์หกว่าเหมือนขบวนแห่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เช่นเวลาเราเคยดูขบวนแห่ผ่านตาเรามาแล้วก็เดินเลยไปเลยไปจนหมดขบวนฉัน้นใดอารมณ์หกก็ชันนั้นนั่นเทียวตั้งแต่เราเกิดมาได้เห็นและได้ฟังหรือได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายแลวรู้ด้วยใจมากครั้งเหลือที่จะนับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตน ไม่มีส่วนเหลืออยู่เลยแม้แต่อารมณ์เดียวที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่ปัจจุบันพูดออกไปคำหนึ่งเสียงก็หมดไปสิ้นไปหูที่ได้ฟังเสียงก็หมดไปสิ้นไปสัตว์วิญญาณความรู้ทางหูก็หมดไปสิ้นไปไม่มีส่วนเหลืออยู่เลยแม้แต่คำเดียวดูเปล่าเงียบดับไปหมด ไม่มีอะไรไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปกำหนดยินดียึดถือในอารมณ์หกที่ดีจึงเป็นการกำหนดยินดียึดถือในสิ่งที่เปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่ใช่ตัวตนหรือเข้าไปยินดียินร้ายไม่ชอบโกรธเคืองยึดถือในอารมณ์หกที่ไม่ดี จึงเป็นการยินร้ายไม่ชอบโกรธเคืองยึดถือในสิ่งที่ปลอาเปล่าไม่มีอะไรไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาไปก็จะเห็นความจริงชัดเจนขึ้นก็จะรู้ด้วยใจว่าตัวเรานี้เท่ากับบ้าในเวลาที่เข้าไปยินดียินร้ายในอารมณ์หกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงสั่งสอน ให้พิจารณาขันห้าอายตนะหกให้เห็นเป็นอนัตตาด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างไรเพื่อให้ถ่ายถอนความเห็นผิดคืออัตานุทิฏฐิสาธุขพเจ้าเด็กฟังท่านบรรยาย ในส่วนอารมณ์6ว่าเป็นอนัตตาชัดเจนจำแจ้งดีจริงเป็นการสะดวกแก่สัมมาปฏิบัติที่จะดําเนินใจไปตามคําแนะนําของท่านแล้วรู้สึกเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคว่าเป็นอัศจรรย์ที่พระองค์ตรัสรู้เองชอบแล้วและพระธรรมคําสอนของพระองค์เป็นนิยานิกรธรรมนําผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงและพระอริยสงฆ์หมู่ที่ฟังคําสั่งสอนของท่านปฏิบัติชอบแล้ว ทำตนให้พ้นทุกข์ได้จริงตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นพระรัตนตรยัยจึงเป็นที่เลื่อมใสกราบไหว้เคารพนับถือบูชาสักการะของโลกเพียงแต่เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยก็ยังเป็นทางไปสุขติ ถามว่าผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ได้เจริญปัญญาดูไม่สมกับที่พบศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบำเพ็ญกุศสลส่วนอื่นๆเช่นทานศีลภาวนาที่เป็นก า, มารมวจระกุศลแม้นอกศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกเขาก็ทํากันได้ตลอดกระทั่งร ร, ร, รูปาวจรูปาวจรและอรูปาวจร เช่นฤษีทั้งหลายได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานนอกพุทธการก็มีโดยมากแต่ไม่มีปัญญาที่เป็นส่วนอริยามรรคเพื่อจะละสังโยชน์ธรรมเบื้องต่ำและเบื้องบนให้ขาดได้อย่างนั้นน่ะสิผู้ที่ไม่ได้เจริญปัญญาจึงทำแต่กุศลที่วนอยู่ในโลกไม่สามารถจะตัดกิเลสวัฏได้กรรมวัฏวิบากวัฏจึงไม่ขาดลงได้ เพราการที่จะตัดกิเลสวัสด์นั้นก็ต้องอาศัยอริยมรรคบรรดากุศลส่วนอื่นๆไม่มีอํานาจที่จะตัดกิเลสวัสด์ได้เพราะโลกิยากุศลทั้งหลายนั้นประกอบด้วยเจตนาเป็นกรรมวัตฝ่ายบุญสําหรับละกิเลส ท, ที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งเป็นกรรมวัตฝ่ายบาปแล้วก็ละได้ชั่วคราวไม่ขาดเช่นเดียวกับตัดต้นไม้ ที่ลิใบหรือกิ่งลงเสียได้แต่ส่วนลำต้นและรากแก้วนั้นยังอยู่จึงงอกงามขึ้นอีกได้ฉันใดรากแก้วคือกิเลสวัต์เช่นอนุสัยหรือสังโยชนั้นยังอยู่เพราะกรรมวัตรฝ่ายบุญที่ประกอบด้วยเจตนาไม่สามารถละแล ะ, ละตัดกิเลสวัต์ได้ขาดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ทรงแสดงธรรมในทางปัญญาให้พิจารณาขันอายตนะธาตุตามความเป็นจริงซึ่งเป็นปฏิปทาที่จะให้อริยมรรคเกิดขึ้นจึงได้ละกิเลสวรรัตรเช่นอนุสัยหรือสังโยชนให้หมดไปจากสันดานกรรมวัตรวิบากวัตรจึงดับไปเพราะไม่มีปัจจัยคือกิเลสวรรัตที่เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพานรอหมดปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงผู้ถามกล่าวว่าเป็นลาภมากที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมซึ่งเป็นปฏิปทาให้เกิดปัญญาที่พระศาสนาสอนไว้ถ้าเราจะไม่ประพฤติปฏิบัติเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ครบสิกขาสาม ก็จะไม่เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิพพานเพราะการปฏิบัติเพียงทานศีลภาวนาหรื อ, อยังดีเพียงศีลกับสมาธิก็ยังเป็นกุศลที่วนอยู่ในโลกไม่สามารถจะตัดกิเลสวัส์ได้เพราะอย่างนี้นี่เองพระอริยาสาวกผู้ดำเนินครบศิกขาสามตามคำสอนของพระศาสดาจึงตัดกิเลสวัฏเช่นอนุัยหรือสังโยชน์ใหหมดไปจากสันดานได้ จึงบริบูรณ์ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนเป็นอ จ, จะลัสศรัทธาคือศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่มีฐานะที่จะอุทิศศาสดาอื่นได้เพราะคำสอนของครูและอาจารย์เหล่าอื่นในโลกไม่มีปฏิปทาที่จะให้เกิดอริยมรรคมาตัดกิเลสวัฏให้ขาดได้ถูกแล้วสมด้วยพระพุท ธ, ธภาษิตธ ในจูลคโคปาละสูตรในมัชิมานิกายมูลปันนาตหน้า4ส8ใจความว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเรื่องนี้เคยมีแล้วคนเลี้ยงโคชาวมาโคตรราชเป็นคนเขลาไม่มีปัญญาพอถึงฤดูศาสเดือนท้ายฤดูฝนไม่ได้พิจารณาเสียก่อน พาฝูงโคข้ามฟากไปฝั่งวิเทหราชโดยมิใช่ท่าที่ควรข้ามจึงพาฝูงโคไปตายเสียที่กลางกระแสแม่คงคาเพราะเหตุที่คนเลี้ยงโคเป็นคนขา่าวข้อนี้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่ฉลาดในโลกนี้โลกหน้าไม่ฉลาดในวัตตะสามซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งมารและมาจุราชและไม่ฉลาดในวิวัตตะ ซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งมารและมัจุราชชนทั้งหลายเหล่าใดจะเชื่อฟังถ้อยคำของสมณพราหมเหล่านั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อทุกมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานภิกษุททั้งหลายเรื่องนี้เคยมีแล้วคนเลี้ยงโคชาวมคตรราชเป็นผู้ฉลาดมีปัญญา พอถึงฤดูซาดเดือนท้ายฤดูฝนจึงพิจารณาดูเสก่อนแล้วจึงพาโคพ่อฝูงและโคกําลังที่ฝึกแล้วและโคผู้โคเมียที่รุ่นและลูกโคผอมทั้งลูกโคเล็กที่เกิดใหม่ในวันนั้นข้ามไปถึงฝั่งวิเทหราชฟากโนนโดยท่าที่ควรข้ามได้สะดวกพรอเหตุที่คนเลี้ยงเป็นผู้ฉลาดชั้นใดสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด เป็นผู้ฉลาดในโลกนี้โลกหน้าเป็นผู้ฉลาดในวัตตาสามอันเป็นที่ตั้งแห่งมารและมัจจุราชและฉลาดในวิวัตตะซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งมารและมัจจุราชชนทั้งหลายเหล่าใดจะเชื่อถือถ้อยคําของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน และส่งแสดงว่าโคพ่อฝูงตัดขวางกระแสน้ำคงคาไปถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสะดวกแม้ฉันใดภิกษุเราใดเป็นอรหรันตสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบรมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วลงภาระลงแล้วมีประโยชน์ตนถึงโดยลำดับแล้วมีสังโยชนใภพสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้ว เรารู้ทั่วถึงด้วยอาการอันชอบภิกษุเหล่านั้นตัดขวางกระแสแห่งมารไปถึงฝั่งพระนิพพานได้แล้วโดยสะดวกฉันนั้นเทียวแลโคเหล่าใดเป็นโคกำลังคือโคโควรฝึกตัดขวางกระแสน้ําคงคาไปถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสะดวกแม้ฉันใดภิกษุเหล่าใดเป็นอนาคามี ละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้แล้วคือเกิดในสุทธาวาสพรหมโลกจากปริณิพานในที่นั้นเป็นผู้ไม่กลับมาจากโลกนั้นภิกษุเหล่านั้นตัดขวางกระแสะแห่งมารไปจากถึงฝั่งพระนิพพานได้โดยสะดวกฉันนั้นเทียวแหละโคผู้โคเมียที่รุ่นทั้งหลาย ที่ได้ตัดขวางกระแสแม่น้ำไปถึงฝั่งฝากโน้นโดยสะดวกแม้ชันใดภิกษุเหล่าได้เป็นสกัดทาคามีเพราะละสังโยตสามได้และทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงจะมาเกิดในโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นจากถึงที่สุดแห่งทุกภิกษุเหล่านั้นตัดขวางกระแสแห่งมารไปจากถึงฝั่งพระนิพานได้โดยสะดวกชันนั้นเทียวแล ลูกโคผอมมีกำลังน้อยตัดขวางกระแสน้ำคงคาไปถึงฝั่งภาคโน้นได้โดยสะดวกแม้ชันใดภิกษุเหล่าใดเป็นโสดาบันเพราะละสังโยชน์สามได้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้อันอริยมรกกำหนดแน่แล้วจะตรัสรู้ได้เองในเบื้องหน้าตัดขวางกระแสแห่งมานไป จะถึงฝั่งพระนิพพานได้โดยสะดวกชั้นนั้นเทียวแหลลูกโคอ่อนแต่พอเกิดใหม่ในวันนั้นเมื่อลอยไปตามเสียงแม่ได้ตัดขวางกระแสะแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสะดวกแม่ฉันใดภิกษุเหล่าใดมีปกติลั่นไปตามธรรมะมีปกติลั่นไปตามศรัทธา แม้ภิกษุเหล่านั้นตัดขวางกระแสแห่งมารไปจักถึงฝั่งพระนิพพานได้โดยสะดวกฉันนั้นเที่ยวแหลภิกษุทั้งหลายเราตถาคตเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้และเป็นผู้ฉลาดในโลกหน้าเป็นผู้ฉลาดในวัฏฏะสามซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งมารและมัจจุราชเป็นผู้ฉลาดในวิวัฏฏะ ซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งมารและมัจุราชจนเหล่าใดจะเชื่อฟังเราตถาคตข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระองค์ตรัสพระสูตรนี้จบแล้วถึงตรัสนิคมคถามีเนื้อความว่าโลกนี้โลกหน้า อนุเราตถาคตประกาศไว้ดีแล้วประตูอมตะนิพานอันุเราตถาคตผู้ตรัสรู้ได้เองผู้รู้ทั่วถึงรู้ยิ่งซึ่งโลกทั้งหมดทั้งที่มานถึงพร้อมแล้วทั้งที่มัจจุราชยังมาไม่ถึงเราเปิดไว้แล้วเพื่อใหสัตว์ทั้งหลายถึงพระนิพานอันเกษมกระแสะแห่งมานเราตถาคตปิดแล้วกำจัดแล้วทำให้เหือดแห้งหมดไป ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงมีความปราโมทมากพึงปรารถนาพระนิพพานอันกเกสมเถิด